เจรอนพรท่านผู้มีกิตติศทามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สามตุลาคมพุทธศักราช5 5 2เป็นวันหยุดและเป็นวันสำคัญสำหรับ ทางวัดยานสังวรารามเนื่องจากเป็นวันพระประสูติของสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชผู้ก่อตั้งสร้างวัดยานสังวรารานี้ขึ้นมาปีนี้พระ อ, องค์ท่านมีพระชนมพรรษา96 พันศาหรือ96ปีด้วยกัน8รอบเป็นสิ่งที่ไม่ใช่จะทำกันได้ทุกๆุกคนการมีอายุยืนยาวนานนี่เป็นสิ่งที่ยากอย่างหนึ่งตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะคนเราอยู่กันเกิดมาแล้ว บางคนก็อยู่ได้ไม่นานก็ต้องสูญเสียชีวิตไปมีน้อยคนที่จะอยู่อายุยืนยาวนานได้ดังนั้นผู้ที่มีอายุยืนยาวนานจึงถือว่าได้สิ่งที่ยากอย่างหนึ่งอีกประการหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ยากก็คือ การปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้มาเกิดทุกวันเหมือนปุถุชนอย่างพวกเราพวกปุถุชนนี้มีการเกิดอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีแต่การเกิดของปุถุชนกับการเกิดของพระพุทธเจ้านั้นมีความแตกต่างกันมากในเรื่องของการ สร้างประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกในทางด้านชีวิตจิตใจปุตุชนนี้เกิดมาด้วยความมืดบอดไม่รู้ว่ามาได้อย่างไรไม่รู้ว่าไปได้อย่างไรไม่รู้ว่าจะไปไหนตายไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้แต่เวลามาเกิดก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วบางทีก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มาจาก ชาติก่อนและตายไปก็จะไม่ไปชาติหน้าแต่จะไปกับร่างกายคือกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปแต่ความจริงร่างกายกับใจที่มาเกิด น, นี้เป็นคนละส่วนกันเป็นเหมือนคนขับรถกับรถยนต์เป็นคนละส่วนกันคนขับเป็นส่วนหนึ่งรถยนต์เป็นส่วนหนึ่ง รถยนต์นี้เป็นเหมือนร่างกายส่วนคนขับนี้เป็นเหมือนใจคนเรามีสองส่วนคือมีกายกับใจกายเป็นส่วนที่ตายแต่ใจเป็นส่วนที่ไม่ตายใจนี่แหละเป็นผู้มาเกิดมาได้ร่างกายใหม่แล้วเมื่อร่างกายใหม่นี้เก่าแล้วก็ตายไปใจก็ไปหาร่างกายใหม่ไปตามบุญตามการรมต่อไป ไปบุญก็ไปดีไปได้สิ่งที่ดีได้ร่างกายที่ดีได้ความสุขได้ความเจริญถ้าทำบาปก็ไปได้ร่างกายที่ไม่ดีไปตกนรกไปเกิดเป็นเดราาัจฉานถ้าได้าถ้าบุญพาไปก็ได้ไปสวรรค์ได้ไปเป็นเทวดาได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมดีกว่าเก่า นี่คือสิ่งที่ปุตุชนอย่างพวกเราทั้งหลายไม่รู้กันต่างกับ พ, พ่กพรธเจ้าที่มีปัญญามีตาในคือมีดวงตาเห็นธรรมเห็นใจเห็นว่าใจกับกายนี้เป็นก้อละส่วนกันใยนี้ตายแล้วกายนี้ตายไปแล้วก็กายบุตรที่เท่าที่ฐานไปใจก็ไปหาร่างกายใหม่ เหมือนคนขับรถพอรถคันเก่าเสียไปก็ไปหารถคันใหม่ได้คนขับรถไม่ได้ตายไปกับรถคันเก่าคนขับรถก็ไปหารถคันใหม่ต่อนี่คือความสำคัญของพระพุทธเจ้าและไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากผู้ใดที่ได้มาเกิดแล้วมาได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ดี หรือพบกับองค์แทนของพระพุทธเจ้าก็ดีก็คือพระธรรมวินัยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาอย่างยิ่งเพราะจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับชีวิตของเราว่าเราเกิดมาได้อย่างไรและเราตายไปแล้วเราจะไปไหนต่อและเราควรจะทําอะไรกับชีวิตของเรา ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราควรที่จะทำในสิ่งที่ไร้าสาระไม่เป็นประโยชน์กับใจเราหรือเราควรจะทำสิ่งที่มีประโยชน์มีสาระกับใจเราที่ใจเราสามารถเอาติดตัวไปได้ด้วย<ม>ปัด็นของพวกเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็จะหลง สร้างสะสมสิ่งที่ไม่เป็นสาระคุณประโยชน์กับจิตใจของเราสร้างสิ่งต่างๆเช่นสร้างเงินสร้างทองสร้างสมบัติสร้างฐานะสร้างความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ไม่จรัมถาวรและไม่สามารถนำเอาไปกับใจได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว เวลาตายไปแล้วสมบัติ ท, ทั้งหมดที่หามาได้แ้บเป็นแทบตายกลายเป็นของคนอื่นเข้าไปความสุขที่เคยหาได้จากทางตาหูจมูกลิ้นกายก็หมดไปไม่สามารถหามาได้ใหม่เพราะไม่มีร่างกายร่างกายไม่สามารถทาหน้าที่นี้ได้แล้วถ้าใจไม่ได้รับการสะสมสิ่งที่มีคนมีประโยชน์เช่นบุญกุศล แต่กลับได้รับการสะสมบาปกรรมต่างๆไว้ใจก็จะต้องไปแบบคนคนติดคดีหรือคนขอทานไปแบบหลบๆซ่อนๆเพื่อไม่ให้ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางแต่กรรมนี้มันเป็นสิ่งที่ตามถึงไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางของจิต ก็คือต้องไปตกนรกต้องไปใช้เวรใช้กรรมในนรกต้องกลับมาเกิดเป็นเปรตกลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานกว่าก่อนกว่าจนกว่ากรรมบาปกรรมจะหมดไปเราถึงได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมประกอบเช่นมีอาการสาสิบสองไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ตา ตาบอดบ้างหูหนวกบ้างแขนขาดบ้างขาขาดบ้าง <c oughs> หรือมีสติปัญญาที่ไม่สมประกอบเป็นคนสติเฟื้องเป็นคนเป็นคนที่ไม่มีสตินี่คือเรื่องของการกระทำต่างๆของเราที่เราขณะที่เราอยู่ในโลกนี้ถ้าเรามัวแต่ไปหาเงินหาทองหาตำแหน่ง หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่มีเวลามาทำบุญมาสร้างกุศลมาสร้างสิ่งที่จะพาใจให้ไปสวรรค์ให้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือให้ไปถึงพระนิพพานเลยถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเมื่อหมดบุญก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิม มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเดิมมีฐานะการเงินการทองที่ดีกว่าเดิมมีสติปัญญาที่ฉลาดแหลมคมที่จะพาให้ชีวิตของตนมีแต่ความเจริญก้าวหน้าตามลำดับไปจนได้ถึงพระนิพพานไปในที่สุดนี่คือเรื่องของผลของบุญของผลของกุศลเป็นอย่างนี้ ดังนั้นสิ่งที่มีความสําคัญหรือสิ่งที่มีมีความกระทบกับใจของเรามากที่สุดก็มีสองส่วนด้วยกันคือบาปกับบุญนี่เองส่วนอย่างอื่นนั้นมันไม่มีผลอะไรกับจิตใจมากเท่าไหร่เช่นสมบัติเข้าของเงินทองตําแหน่งต่างๆความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ได้มันไม่ได้มี อะไรกับใจหลังจากที่ใจตายไปแล้วเพราะใจไม่สามารถเอาติดตัวไปได้จะเอาไปทำประโยชน์ก็ไม่ได้จะเป็นโทษมันก็ไม่ได้เป็นโทษแต่มันเป็นสมบัติสําหรับในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่านั้นพอร่างกายนี้ตายไปแล้วสมบัติเหล่านั้นก็หมดความหมายไปเหมือนกับยา รักษาโรคหรืออาหารที่มีวันหมดอายุพอมันถึงวันหมดอายุแล้วยาหรืออาหารนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคต่อไปก็ต้องทิ้งมันไป <c oughs> ฉันใดราบยศสารเสริญสุดที่พวกเรามีความยินดีชื่นชมมีความปรารถนาอยากจะได้มาเป็นสมบัติไว้ครอบครองก็เป็นอย่างนั้น ม, มันมีวันหมดอายุมันหมดไปตามอายุขของร่างกายพอตายไปแล้วก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วถึงแม้เราจะได้กลับมาเกิดใหม่แล้วยังจำได้ว่าเงินทองเหล่านั้นเป็นของเราแต่เราจะไปบอกใครก็ไม่มีใครเขายอมเชื่อเราถึงแม้จะเป็นลูกของเราเขาก็ไม่เชื่อว่าเราเป็นพ่อเขาแล้วหลังจากที่เราตายไปแล้วแล้วกลับมาเกิดใหม่ เพราะหมดเราหมดสิทธิแล้วดังนั้นเราจึงควรพิจารณาให้ดีว่าเราควรจะใช้เวลาที่มีคุณค่าของมนุษย์นี้เพื่ออะไรทำเพื่ออะไรควรจะทำอะไรดีเพราะการเกิดาการมาเกิดเป็นมนุษนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายดายเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าการปรากฏของพระพุทธเจ้า ก็เป็นของยากการเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากการมีอายุยืนยาวนานก็เป็นของยากและการได้ศึกษาได้ปฏิบัติพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะเราไม่ค่อยมีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติกันเพราะใจของเราอยากจะไป หาอย่างอื่นมากกว่าหาบุญหากุศลนั่นเองแต่เราก็ยังมีความปรารถนาและมีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เลยยังมาวัดกันอยู่เพียงแต่ว่ามายัางไม่มากพอเท่านั้นบางท่านปีหนึ่งก็มาวัดสักสองครั้งสามครั้งบางท่านก็มาเพียงครั้งเดียว บางท่านก็มาบ่อยหน่อยมาอาทิตย์ละครั้งคือทุกวันพระหรือทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาศรัทธาก็ขึ้นอยู่กับว่าเห็นผลที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติจนเห็นผลที่เกิดขึ้นมาในใจ ว่ามีความสุขมีความสบายใจก็จะเกิดศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นไปตอนต้นก็มาในช่วงวันหยุดวันที่มีเวลาว่างจากภารกิจการงานและเมื่อถึงเวลาที่มีเงินทองพอเพียงที่จะไม่ต้องมากำลังกับการหาเงินหาทองก็จะมาวัด หรือมาอยู่กับวัดมาอยู่ที่วัดเลยและถ้าอยู่ไปได้นานๆานเข้าก็จะมีความศรัทธาอยากจะบวชก็จะบวชแล้วเงินทองที่หามาได้ทั้งหมดก็จะบริจาคให้แก่ผู้อื่นไปทำบุญทำทานไปนี่เป็นเรื่องของศรัทธาศรัทธาจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนําเอาไปประพฤติปฏิบัติไปพิสูจนตอนต้นเราต้องได้ยินได้ฟังก่อนเหมือนกับเราต้องพบหมอหรือพบยาก่อนมีคนเขาแนะนําว่ายาชนิดนี้ใช้แล้วมีคนมีประโยชน์กับร่างกายพอเราได้ยินแล้วเราก็อยากจะทดลองเราก็ซื้อยานั้นมาลองรับประทานดูพอรับประทานแล้วรู้สึกว่าร่างกาย มีกำลังบังชามากขึ้นโครคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ก็เบาบางลงไปหรือหายไปอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดมีศรัทธาที่อยากจะซื้อยามารับประทานให้มากยิ่งขึ้นไปฉันใดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจของเราถ้าเราได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้า มาปฏิบัติกับกายวาจาใจของเราแล้วเราจะเริ่มเห็นความสุขที่เกิดจากการได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสงสอนเช่นสงสอนให้เราให้ทานให้เรารักษาศีลให้เราภาวนาทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้ฉลาดรู้แจ้งถ้าเรานามาปฏิบัติแล้วเริ่มเห็นผลแล้ว เราก็จะเกิดศรัทธาอยากจะทำให้มากยิ่งขึ้นตอนต้นเราก็ให้ทานเล็กๆน้อยๆเพราะเรายัางเสียดายเงินทองอยู่แต่พอเราให้ไปแล้วใจของเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบมีความสบายใจเราก็อยากจะทำเพิ่มขึ้นไปเเราก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราจะทำจนไม่มีอะไรเหลือไว้เลย รอะเราเห็นว่ามันทำให้เรามีความสุขจริงๆมันทำให้เราไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการสิ่งนั้นไม่ต้องการสิ่งนี้ทำให้เราอยู่เป็นสุขเราไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายที่หามาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยสร้างความอิ่มความพอกลับมีแต่จะสร้างความหิวให้มีมากยิ่งขึ้นไป พวกเราก็ผ่านมาแล้วความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราหากันมาตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้เราเคยถึงคำว่าพอหรื อ, อยังหรือเรายังต้องหาความสุขแบบนี้ต่อไปอีกแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะได้พบกับความพอเสียทีถ้าเรายังหาความสุขแบบนี้อยู่เราก็จะไม่มีทางที่จะได้พบกับความพอ พรความสุขแบบนี้เขาสร้างแต่ความหิวสร้างแต่ความอยากให้มีมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้ทําให้ความอิ่มความพอเกิดขึ้นแต่การนําเงินที่จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นการนี้ไปทําบุญให้ทางไปสงเคราะห์ผู้อื่นกลับจะทําให้ใจของเรามีความอิ่มมีความพอขึ้นมา แล้วจะทำให้เราเป็นคนดีจะทำให้เราเป็นคนมีจิตเมตตากรุณาไม่ชอบเบียดเบียนผู้ไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่อยากลักทรัพย์ไม่อยากประพฤติผิดประเวณีไม่อยากพูดปดมดเท็จไม่อยากจะเสพสุรายามเมาเราก็จะมีศีลขึ้นมาโดยปริยายโดยไม่ต้องไปรักษาศีลเลย เพราะการให้ทานการสงเคราะห์ผู้อื่นนี้เป็นการสร้างศีลขึ้นมาเมื่อเรามีศีลแล้วเราจะเริ่มเห็นความคุณค่าของการมีศีลเพราะใจของเราไม่ต้องมาวิตกไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาหวาดกลัวกับผลที่เกิดขึ้นจากการทำผิดศีลเวลาเราทำผิดศีลนี่เราจะไม่ค่อยสบายใจเรากลัวคนอื่นจะรู้ว่าเราทำไม่ดี แล้วเมื่อถ้าเขาถามเราก็จะต้องพูดปด mm hmm. ก็ยิ่งทําให้เราใจไม่สบายยิ่งขึ้นไปใหญ่แต่ถ้าเราไม่ทําผิดศีลแล้วเราก็ไม่ต้องพูดปด mm hmm. เวลาใครเข้ามาถามว่าเราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเปล่าเราก็สามารถบอกได้เต็มปากว่าเราไม่ได้ทำเช่นเขาถามว่าเอาเงินของเขาไปหรือเปล่าเราก็บอกได้ว่าเราไม่ได้เอาเงินของเขาไปไปยุ่งกับสามีภรรยาของเขาหรือเปล่า เราก็บอกว่าเราไม่ได้ไปยุ่งเลยเพราะเรามีศีลเราไม่อยากจะสร้างให้ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเราจะทำอะไรเราจะคํานึงเสมอถึงผลกระทบที่จะตามมาว่าทําไปแล้วทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือไม่ถ้าเขาเดือดร้อนเราก็ไม่ทาเพราะการไปสร้างความเดือดร้อนนี้เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมพอผู้อื่นเขาเดือดร้อน เขาก็จะกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราแล้วก็จะสร้างกันไปสร้างกันมาจองเวรกันไปจองเวรกันมาจนในที่สุดก็จะบานปลายต้องทำร้ายกันต้องฆ่ากันนี่คือผลที่ดีที่เราจะได้รับเกิดจากที่เกิดจากการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอามาปฏิบัต กับกายวาจาใจของเราแล้วใจของเราจะมีความสุขและเราก็อยากจะมีความสุขมากขึ้นเ <interacting with hearts> พราะเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งไม่ได้อยู่ที่การสรรเสริญเยินยอไม่ได้อยู่ที่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่อยู่ที่ความสงบของใจ tiế. เราก็อยากจะมีความสงบมากขึ้น คือความสงบความสุขที่ได้จากการให้ทานก็เป็นความสงบเป็นความสุขในระดับหนึ่งความสงบสุขของการรักษาศีลก็มีมากเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ก็ยังไม่ทำให้อิ่มเต็มที่สิ่งที่จะทำให้ใจของเราอิ่มเต็มที่ได้ต้องเกิดจากการบาเพ็ญภาวนาจิตเกิดจากการทำสมาธิทาใจให้สงบ แล้วเกิดจากการเจริญปัญญาเจริญวิปัสนาเจริญอนิจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะได้ปล่อยวางความหลงที่ทำให้เรายึดติดกับสิ่งต่างๆที่เป็นโทษกับจิตใจของเราที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจของเรานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราหมั่นทำกันให้มาก เพราะผลที่ได้รับนี้จะเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงความสุขในใจนี้จะเป็นของเราจะอยู่กับเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะเป็นหรือเราจะตายความสุขนี้ไม่ได้จางหายไปจากใจของเรามีแต่จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ เราทำบุญให้ทานมากขึ้นไปรักษาศีลให้มากขึ้นไปภาวนาให้มากขึ้นไปนั่งสมาธิให้มากจเจริญปัญญาให้มากความสุขภายในใจนี้ก็จะมีมากยิ่งขึ้นไปจนในที่สุดมันก็จะเป็นความสุขเต็มหัวใจอย่างความสุขของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าปรมังสุขขังเนี่ยปรมังก็คือ เต็มที่ลุสุดยอดของความสุขควาว่าสุดยอดก็คือมันเต็มอยู่ในหัวใจตลอดเวลาไม่มีวันบกพร่องไม่มีวันเสื่อมคลายไม่มีวันหมดไปนี่คือความสุขที่แท้จริงและจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีใครสามารถมาแย่งจากเราไปได้ร่างกายเราตายไปแล้ว ความสุขนี้ก็ยังอยู่เต็มหัวใจอยู่เหมือนเดิมความสุขของพระพุทธเจ้าในขณะนี้ก็ยังมีอยู่ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะตายไปแล้วถึง 2,500 กว่าปีก็ตามแต่ท่านตายเพียงร่างกายร่างกายของท่านเท่านั้นเองที่ตายไปแต่ใจของท่านไม่ได้ตายใจของท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมมีความสุขเหมือนกับในขณะที่มีร่างกาย แต่ตอนนี้ท่านไม่ต้องมาดูแลร่างกายให้เหนื่อยยากถ้ามีร่างกายก็ต้องมาคอยดูแลต้องคอยอาบน้ำอาบท่าต้องคอยหาข้าวมาให้รับประทานต้องคอยหายามารักษาโรคต้องคอยออกกำลังกายต้องรับต้องนอนหลับพักผ่อนเป็นภาระแก่จิตใจพอไม่มีร่างกายนี้แล้วใจก็สบาย ใจไม่มีงานต้องทำอีกต่อไปอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเราใช้เวลาอันมีค่าของมนุษย์นี้มาสร้างบุญสร้างกุศลกันถ้าไม่เช่นนั้นแล้วใจของเราเวลาตายไปก็จะไปโดยไม่มีบุญไม่มีกุศลก็เหมือนกับคนที่เดินทางโดยไม่มีเงินทองติดตัวไป จะซื้อตั๋วขึ้นรถก็ไม่มีเงินซื้อตัว๋วจะซื้อข้าวรับประทานก็ไม่มีเงินซื้อต้องไปขอทานขอข้าวเขากินต้องไปขอโบกรถขอโดอยสายรถคนนั้นคนนี้ไปแต่คนที่ทำบุญแล้วนี่จะเป็นคนมีเงินทองติดตัวไปไม่ต้องไปขอข้าวใครเขากินไม่ต้องไปขออาศัยรถของคนอื่นเขามีรถของเราเองมี มีทุกอย่างพร้อมที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีกว่าที่เรามามาจากเราจากเราจากที่เก่ามานี้แล้วเราไปสู่ที่ใหม่ที่ใหม่จะดีกว่าความสุขจะมากกว่าความสบายจะมากกว่าสมบัติเข้าของเงินทองจะมีมากกว่ารูปร่างหน้าตาจะสวยงามกว่าเดิมผิวพรรณผ่องใสกว่าเดิม สติปัญญาฉลาดแหลมคมมากกว่าเดิมความทุกข์น้อยน้อยกว่าเดิมปัญหาต่างๆในใจจะเบาบางลงไปจะไม่หนักอกหนักใจกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้จะไม่กังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมีบุญมีกุศลคอยดูแลรักษาใจนี้เองนี่แนะคือชีวิตของเรา หน้าที่ของเราที่แท้จริงก็คือมาสร้างบุญสร้างกุศลนี้เองมาสร้างเรือนใจมาสร้างสมบัติของใจอย่าไปสร้างสมบัติของกายมากจนเกินไปให้มีไว้พอดูแลรักษาร่างกายก็พอแล้วให้ร่างกายอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายมีบ้านหลังเล็กๆพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอแล้ว มีเงินมีทองไว้สําหรับซื้ออยู่ซื้อยาซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้ามาใส่ก็พอแล้วมีมากไปก่อนนั้นมันก็ไม่ได้ทํำให้ร่างกายนี้ <c oughs> ดีกว่าเดิมหรือมีอายุยืนยาวนานกว่าเดิมแต่อย่างใดอายุของคนเหล่านี้จะยาวได้นั้นทางแพทย์เขาก็บอกเราว่าจิตใจต้องสงบจิตใจต้องสบายจิตใจต้องเย็น ถ้าจิตใจเครียดแล้วมันจะไปกระทบกับสุขภาพของร่างกายทำให้ความดันสูงทำให้เบาหวานเกิดเป็นเบาหวานทำให้เกิดโรคหัวใจเกิดความดันขึ้นมาหมอเขาก็ศึกษาแล้วว่าการทำจิตใจให้สงบนี้เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้มีอายุยืนยาวนาน ที่จะให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและการจะมีความสงบใจได้นี้ก็ต้องทําบุญให้ทานต้องรักษาศีลต้องปฏิบัติธรรมถ้าเรารักษาศีลทําบุญให้ทานปฏิบัติธรรมเราก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนเราได้ประโยชน์ทางร่างกายคือร่างกายของเราอยู่อย่างปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่อย่างมีอายุยืนยาวนาน ละใจของเราก็ได้บุญได้กุศลที่จะพาให้เราไปสู่ภพชาติที่ดีต่อไปที่จะพาให้เราไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปดังนั้นหน้าที่ของเราจึงอยู่ที่ตรงการสร้างบุญสร้างกุศลนี้อยู่ที่การทำบุญให้ทานอยู่ที่การรักษาศีลอยู่ที่การปฏิบัติธรรมถ้าเราให้ทานจนไม่มีอะไรจะให้แล้ว เราก็หยุดให้ทานได้แล้วอย่าไปกังวลไม่ใช่ว่าพอเงินหมดก็ต้องไปหาไปทำงานเพื่อหาเงินมาทำบุญต่ออย่างนี้ไม่ใช่เป็นเป็นเจตนารวมของการทำบุญให้ทานการทำบุญให้ทานนี้เป็นการให้ในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วถ้าให้หมดแล้วก็ไม่ต้องไปหามาใหม่เราจะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมมากขึ้นในเวลาไปอยู่วัด ไปนั่งสมาธิไปเจริญวิปัสสนาไปฟังเทศฟังธรรมแล้วจิตใจของเราก็จะมีความสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นไปตามรบรรดาจนถึงจุดสูงสุดอยู่ที่การสร้างบุญสร้างกุศลนี้ไม่ได้อยู่ที่สิ่ ง, งอื่นดังนั้นถ้าเราหมดเวลาไปกับการสร้างสิ่งอื่นที่ไม่จําเป็น หรือที่เรามีมากเกินความจําเป็นแล้วก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆเสียเวลาอันมีค่าของการของชีวิตของมนุษย์นี้เพราะการจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่ได้เป็นของง่ายตายไปแล้วไม่รู้ว่าจะกลับได้กลับมาอีกเมื่อไหร่เพราะไหนจะต้องไปใช้บาปใช้กรรมหรือไปรับผลบุญซึ่งจะเป็นเวลายาวนานไปอยู่นรกก็จะใช้เวลายาวนาน ไปอยู่บนสวรรค์ก็จะใช้เวลาอันยาวนานพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ไว้เป็นแสงสว่างนำทางต่อไปตอนนั้นก็จะไม่รู้แล้วว่าเกิดมาทำไมเพราะไม่มีใครสอนก็จะทำไปตามความหลงก็จะไปแสวงหาลาบยกสารเสินสุขเหมือนที่เราเคยแสวงหามาต่อไป แล้วการเวียนว่ายตายเกิดของเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องร้องห่มร้องไห้กับการเวียนว่ายตายเกิดในทุกภพทุกชาติต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่วันนี้เรามีโอกาสที่ดีแล้วเราได้พบแสงสว่างเรามีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธศาสนาคอยสอนคอยพาคอยนำทางเราแล้ว ถ้าเราไม่เชื่อเราไม่ปฏิบัติตามก็ไม่มีใครที่เขาจะช่วยเราเราได้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่อัตตาอัตโนนาถนีเท่านั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยเหตุต่างๆกันนี้ให้ท่านได้นำไปพินิษ์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป